จะเป็นพรักษา อัลลอฮฺุสุลฺลามานุลฺรฮ د ไยฺมอินฺน์อัลฮฺามฺดฺลิลลาหฺนะฮฺมัตฺหฺุว์วันะสตฺไยฺนุหฺว و นะสตฺฟฺรฺุหวันะอุฎฺบิลลาหิมินชุรุริอัมฟุซินาวะมินซายฺยฺติอัมฺมฺลินาไมยัฮดิหิลลาหุฟัลามุฎฺลฺลละวไมยุฎฺลฺลฟัลาฮฺดิยละวะชฮฺรุวัลลาหฺุอิลลาหฺุัล ا ل l a h u ك m a bika asbahna wabika amsayna wabika nahiya w a أعوذ ب ك ل م َ ا ت ِ ا ل ل َّ ه ت ا م, م ا ت م ن ش ر ِ مَا خ ل ق أعوذ ب ك ل م ا ت ا ل ل َّ ه ت ا م ا ت م ن ش ر ِ مَا خ ل ق ب س م ا ل ل ه ا ل ذ ي ل ا ي َ د ر م ع َ س م ه ش ي ْ ف ي ا ل أ ر ض و َ ل ا ف ي ا ل س م ا ء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 s ب ح ا ن الله وبحمده ع د h خلقه و ر a ا نفسه وزينة عرشه พี่น้องมุสลิมและมุสลิมที่ร่วมนมัารุบหรือฟ ajar ที่มัสยิดของอัลล์ที่รับั้งหลายครับัมุลิลลและพี่น้องที่ ติดตามรายการนะครับที่อยู่ที่บ้านครับอัลฮัมดุลิลลาฮิรอนขอบคุณอัลลอฮุ س ب ح ตาละ ت ع ต ل ى ที่อัลลอ์ให้เราแข็งแรงมีชีวิตอยู่เมื่อคืนนี้ก็นอนหลับสบายเมื่อตื่นขึ้นมาจากที่นอนเนี่ยอย่าลืมนะอย่าทำาตัวเหมือนคนกาบฟไม่ได้ขอบคุณอัลลอ์เลยเนี่ยอัลลอฮเราไม่พอใจนะ พอท่นน บ, บีให้รูปแบบไว้มุสลิมได้รับเนี่ยอมามัดเล็กๆมนนอนจากอัลลอ์เนี่ยต้องขอบคุณอัลลอ์ฉะนั้นเมื่อตื่นตื่นบนที่นอนเนี่ยให้ทำไงให้กล่าวว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาฮิลล า, า, าดาอะฮยานะบาดามะอามัดะนะไวลัฮินมุชูอัลลอฮฺอักบัตนี่รายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วดูอาอย่างเนี้ยเราอ่านไม่เป็นหรอกแต่งเองเป็นไหม แตงไม่เป็นดวอานี่มาจากอัลลอฮ์ผ่านจิบรีนจิบรีนเอามามอบให้กับท่านนาบีให้อ่านอย่างนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เดินออกจากห้องว่าอย่างไรออกมาจากบ้านว่าอย่างไรบิสมิลลาฮิร์ราะห์ม์กะลิุลลอฮิลลอฮิวะลาฮาวะลาวะลาคูบริลลาบิลลาฮิบางคนก็อยู่ห่างอยู่ไกลบ้านก็ขึ้นรถมาพอจะขึ้นรถอ่านดวอานอีก อันว่าไงสุดพานัมาลดีสักคราแลนาฮะแตว่มากุนนะละหุมุกรินีนอรถจอดออกความจริงดูอาออกจากบ้านพอตอนเดินมีดูอาอีกอัลลอฮุมมะจัลฟีกัลบีนูรอนว่าฟีสัมัยนูรอนว่ามินฟาวีนูรอนว่ามินตัพตีนูรอนต้องท่องแล้วนะ พอจะเข้ามาสัสยิดอ่านดูอาอีกอัลลอฮุมมัฟตัฮลีอบบาบาระห์มัิกะเข้าด้วยเท้าขวาคขาสอนเรื่องอย่างนี้ถ้าไม่ผ่านนบีเนี่ยไม่มีสิทธิ์รู้เลยนะเพราะข้างบนสั่งมาว่าให้ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่ชีวิตของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต้องอยู่แบบนี้อย่าคิดจะได้เองนะครับขอบคุณอ AH, ัลลอฮ์เพ่องเราได้ ทบทวนกุณอ่านจบสุรัตน์อังกบูธ ไ, ไปแล้วอังกบูธแปลว่าอะไรแมงมุมน <c oughs> ั้นมุสลิมเห็นอะไรอยู่บนหน้าดุญยานี่ต้องนึกแล้วก็โยงเรื่องเรื่องอกคีดาให้หมดฉานั้นใครที่ไปยึดสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เป็นที่คุ้มครองเป็นพระเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมันไม่ต่างอะไรก็ยึดแมลงยึดแมงมุมหรือยึด ยายแมงมุมเป็นที่คุ้มครองแล้วช่วยได้ไหมล่ะเห็นด้วยตาชัดชเลยช่วยไม่ได้อนี่แหละอลรถาลาตอการจะให้คนที่อ่านคุณอ่านเนื้ได้ชายปัญญาวันนี้มาถึงอายาที่ที่เจ็ดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่มีอยู่วักหนึ่งมีอยู่วักหนึ่งนะที่ขาดไปจายิร้อนไม่ได้มาเนี่ยขาดอายาไหนครับ ว่าฟาริเขาใช่ไหมไม่ใช่อะไรนะฟา ร, ะริอะไรอะไรนะอายะที่สี่นะโอเคอายะที่สี่อยู่ที่ไหนแตวผมหาไม่เจอ ยัฟรหุลม uh, ุ n มนุน่ะยามาอีดียัฟรหุลมุมนุนว่ายามาอีดียัฟรหุมุ่มนุนฟองดูลับไปนะยามอีดินเนี่ยอันทอยบายาที่สี่นะยมาอดินเนี่ยแปลว่าวันนั้นยรห์แปลว่าดีใจแฮปปี้ อัลมุมินูนมุมินนั้นๆจะได้จะได้เห็นมุมินดีใจเพราะว่ามุมินนะ่ะถูกถูกรังแกตลอดใช่ไหมใช่วันนี้ก็เหมือนกันมุมินดีใจนะ่ะน้อยมากจะจะมองอะไรก็ตามแต่เครียดแทนเห็นคนกินเหล้าล้วก็สงสารอีกแล้วเห็นคนไม่น้มานก็สงสารใช่ไหมแต่นั้นๆอรรถจะ กล่าวในการพีคุณอ่านว่ามีอยู่วันหนึ่งมุมินจะดีใจพี่น้องครับในทัฟซีนอธิบายบอกว่าบนดุนยานี้มุมินดีใจตอนไหนหรู้ไหมตอนที่เออเมืองเปอร์เซียอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยชนะชนะใครนะชนะอาณาจักรโรมอ่านนะครับ ชนะอนาณาจักรโรมในตัฟซีนอธิบายบอกว่าเมื่อพวกเมื่อเมื่อโรมกับเปอร์เซียทําสงครามกันแล้วก็เมื่อพวกโรมไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อพวกโรมชนะพวกเปอร์เซียมุสลิมดีใจเมื่อพวกโรมอาณาจักรโรมเนี่ยทำสงครามกับพวกเปอร์เซียแล้วก็เมื่อโรมชนะ เปอร์เซียแพ้มุสลิมมุหมินดีใจดีใจทำไมรู้ไหมเขามองเรื่องอะกิดาอย่างเดียวอะกีดาของพวกโรมเนี่ยเป็นอะกิดาเป็นชาวไรนะชาวอาริยกิตาเป็นอาริยกิตาเป็นพวกที่นับถือศาสนาอะไรศาสนาคริสตยังมีอัลลอฮ์บ้างใช่ไหมถึงได้นับถืออัลลอฮ์ไม่มาช่ถูกต้องทั้งหมดนะก็ยังยึดอัลลอ แล้วก็ยึดนบีมูซาถึงจะยึดไม่หมดก็มันก็ยังดีกว่าเปอร์เปอร์ชียอักีดาของเขาทําอะไรรูไม้กราบดวงปราไฟพวกโรมเนอณาจักรโรมเนี่ยประชาชนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมีอักีดาเป็นพวกคริสเตียนพวกเปอร์เชียอักิดาของเขากราบไฟใครอยู่กล้าชิกกับอิสลามมากที่สุด พวกอาดึงกตาบยิดอลัลลอฮ์เหมือนกันเนี่ยมุสลิมยังดีใจนะโรมชนะเบอร์เชียแพ้มุมิมดีใจเพราะอักีดาคล้ายๆกันถึงจะไม่ใช่มุสลิมร้อยเอร์เซแต่อักีดาคล้ายๆกันมุสลิมยังดีใจเลยเวันนี้มาพูดเรื่องเมืองไทยเราเนี่ยนะการปกครองเนี่ยมีประชาธิปไตยใช่ไหม ประชาธิปไตยนี่นะกล้ากับอิสลามมากที่สุดประชาธิปไตยเนี่ยกล้ากับอิสลามมากที่สุดแะนั้นอนอกจากประชาธิปไตยเนี่ยมันห่างอิสลามฉะนั้นมุสลิมถ้าจะเชียกกันน ะ, ร ะ, ะเราไม่ได้เข้าของใครนะถ้าจะเชียนะเชียประชาธิปไตยเพราะมันกล้ากับอิสลามแค่นี้พอนะเอาต่อมาครับอายาที่อายาที่เจ็ด ย่ำลُ و นَ ا ه ر ة มน ن าลَีต์ดนย์ว่ห่มังนัลัครัติ่ห่ม่าฟิลุนย่ำลโมน ظاهرة มน้าลชีตُดนย์ว่ห่มังนัลัครัติِหُม่าฟิลุนัลฮัมด ل ลลอฮ อายานี้นะครับอัลล์เล่าให้ฟังเล่าให้นบีมวฮัมหมัดฟังรู้เปล่าคนที่คนในอะไรนะในในคนครมกักาวุบานนั้นนะ่ะไม่ยุดอลัลลอฮ์น่ะนะแต่เขายึดอลัลลอฮนะ์น่ะยึดข้อเดียวข้อไหนรู้เปล่าเมื่อาถามว่าใครสร้างชานฟ้าแผ่นดินใครให้น้ำฝนตกลงมาจากฝ้าฟ้า คนอาหรับมุชริกในนครมักกะเนี่ยที่เป็นญาตินบีนี่นะตอบว่าอัลลอ์เขารู้จักอัลลอฮ์ในเรื่องเดียวนะเรื่องว่าชั้นฟ้าแผ่นดินอัลลอ์สร้างฝนตกลงมาอัลลอฮ์ให้แต่อีสองข้อไม่ยอมรับและ อ, อิลลัฮอินลอล์ทีแปลว่าอะไรไม่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพ พักดีนอกจากอัลลอ์มันไม่รับมันไปหารูปจเวเขต่างๆอีกแบบพวกเราวันนี้นะนับถืออัลลอ์แล้วก็นับถือตัวตะกี้ด้วยะระวังนะมันไม่ใช่งานไม่ใช่งานเบาๆนะอัลลอ์ยังไม่ยอมรับเลยให้นบีอมัดส่งนบีมามาสอนพี่น้องชาวมุชลิีในนครมกนะักกะน่ะที่นับถืออัลลอ์เรื่องเดียวนะยังขาดอีกสองใช่ไหม อย่า ก, กราบสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์มีสิทธิ์เท่าใดเก้าพระนามพวงอา랍มุชลิมไม่ยอมรับจึงมีพระเจ้าเยอะยะในอินเดียเนี่ยพระเจ้าต้องสามหมื่น่ะพระเจ้าโน่นพระเจ้านี้พระเจ้าให้ความสุขพระเจ้าให้ความตายพระเจ้าให้อรเลยพระเจ้าเลยเต็มไปหมดเลยแต่ในอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์องเดียวรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยสอนเรื่องนี้กว่าจะเข้าใจอุลรอใช้เวลานานมาก 25ปีสำเร็จไหมสำเร็จในนครมักกะแต่เมืองไทยอย่ะหนักนะหนักกว่าพี่น้องชาวมุชิลิกินใ น, นคลครมักกะห น, นักนะพวกเราเรียนลงังฐานมูซีครสร้างฉันฟ้าต่อว่างเกิดมาเองใครให้ฝนตกลงมาธรรมชาติไทยตกมาเห็นไหมถาว่ากีด้านหนักกว่าชาวอาดับมุชลิกินไหมหนักกว่าอัลลอฮ์ส่งนบีมามาสอน โอ้โหดิพิทักษ์ชัดบรรยาต่อยดอดเอาเองนะทีนี้อัลลอฮให้มานกกี่โลกสองโลกแต่ถ้าเลือกโลกโลกเดียวนะ่ะอันตรายครับแต่บนดุนยานี่มีอันตรายหรอกจะอันตรายถูกทรมานตอนไหนตอนวิญญาณออกจากร่างถูกเลยครับแค่จับใส่โลงเท่านั้นแหละตอนแบกเนี่ยอะดิสมี น, นบีพูดชัดนะโว้ย เอ็งจะพาฉันไปไหนเอ็งจะพาฉันไปไหนเเอาโลกเดียวเอาโลกดุนยาแต่ปฏิเสธโลกอาคิโระหนักมากจะกับดู q รรา n ยะลามูนอะฮิร่ยะลามูนแปลว่าพวกเขารู้รู้จักอะฮิรอนผิวเผินอัลลอฮ์เห็นยังครับ รู้จักผิวเผินนะแสดงว่าตรงกันข้างกับผิวเผินคือลึกซึ้งลึกๆไม่รู้จักแต่รู้จักผิวเผินอะไรครับมินัลฮหายาติดุนยาชีวิตของโลกนี้คนที่รู้จักโลกดุนยาโลกเดียวแกงมัสมันเก่งทําตึกสูงๆร้อยชั้นได้ สร้างเครื่องบินได้สร้างระเบิดได้บังดุง ญ, ญานี่เก่งหมดเลยกุรัานอัลลอฮ์ Allah, บอกกับนบีอัลลอฮ์ด่าเรื่องรอชมชมไหมไม่ได้ชมรอฮีรอนรู้เรื่องผิวเผินเห็นยังครับรอฮีรแปลว่าเห็นผิวเผินเรื่องพืนพ้นผืนนายทัพสีตอธิบายบอกว่า คนอาหรับมุสลิมเนี่ยมันเก่งนะนเก่งด้านหนหรือเปล่าเก่งด้านพ่อปลูกเมืองไทยเนี่ยก็เก่งนะทำนาำมาก่อนครั้งเดียวแล้วก็ตามต่อมาเป็นกี่ครั้งสองครั้งมีสามครั้งมีระหว่างที่ปลูกเราจะปลูกอะไรบ้างแสมเก่งหมดเลยเรื่องดุนยาใครที่รู้เรื่องดุนยาอย่างเดียวเนี่ยนะแกงมาสมันเกง่งทอดบูดูเกง่ง สร้างบ้านเก่งอัลลอฮ์อะไรต่ไรเก่งหมดขับรถนีเก่งสร้างรถเก่งแบบญี่ปุ่นอะไรก็ตามแต่บนโลกดุนยาเบนี้ถ้ารู้เรื่องเดียวเรื่องบนโลกดุนยาอัลลอฮ์กล่าวว่าไงนะยะอัลลมูนัลลอฮิรอมมินั่นให้ติดดุนยาพวกเขาพวกปฏิเสธเนี่ยรู้แต่เพียงภายนอกรู้แต่เพียงผิวเผิน ของชีวิตบนโลกดุนยาอัลลอฮ์ดาอิอัลลอฮ์ชมชัดเลยคืออัลกัลลานี่อ่านกุอนอ่านได้ความรู้ไหมได้ครู้แล้วต่อมาครับวาฮุมอานิลอาคิโรติฮุมรอฟิลูนรอฟิลเนี่ยแปลว่าไดเชยเมย์วาฮุมพวกเขาวแล้วนั้นอานิลอาคิโรในเรื่องโลก ปรโลกในเรื่องอะคีรอหฮุมกอฟิลูนพูดฮุมทั้งสองครั้งอฮุมอันิีหลอะคีรอติฮุมในตับเซตอิมนเกษตรอธิบายไว้ว่าไอฮุมเนี่ยเป็นการเน้นพวกนี้นี่นะรู้เรื่องดุนยาอย่างเดียวแต่ชีวิตหลังตายไม่รู้ชีวิตในกูโบไม่รู้ฟื้นขึ้นมาแล้วไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ไม่รู้ ผ่านตาช่างก็ไม่รู้อัลลอฮ์เรียกสอบมอบบัญชีก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้อะไรสักอย่างหนึงอะสะพานเิรา ม, รมุสต์กีมสะพานเิรัสก็ไม่รู้ถามว่าใครขาดทุนอะทั้นคนที่รู้เรื่องดุนยาโลกเดียวแล้วก็ชีวิตหลังอาคิรอเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยอัลลอฮ์นี่แหละกอฟิลแบบว่าเฉยเมยไม่รู้เรื่องเนี่ย นี่อัลลอฮ์อธิบายให้ท่านนาบีมุฮัมมัดฟังอัลลอฮอักุบัตเห็นยังครับน่้นวันนี้คนที่นั่งอยู่ในมั ส, สยิดอย่างพวกเราเนี่ยจะต้องรู้เรื่องกี่โลกท่องสองโลกนะโลกดุญยากับโลกอาคีรต้องเข้าใจผมยกตัวอย่างง่ายๆลูกสาวนาบีท่านหญิงฟาติมะกับท่านสายนาอาลีลูกเขยท่านมหาณบีมหาว่าไงนะ พอคุณพ่อครับหนูเนี่ยทำงานบ้านเหนื่อยมือเนี่ยก้านหมดแล้วทำนูนทำนี้ทำนี้เหนื่อยพ่อนบีทำสงครามมาชนะได้เฉลยศึกมาเยอะขอคนช่วยงานครอบครัวในบ้านสักคนหนึ่งได้ไหมนบีเละไม่ได้ตอบไว้แล้วพอขอเสร็จนบีก็บอกว่านาพ่อจะให้ของที่ดีกว่าเอาไหม สองคนนี่ก็หูพึงนบอกเอาเอาเอาเอาอะไรรู้ไหมก่อนนอนก่อนนอนให้ว่าอะไรสุบฮานัลลอฮสุบฮานัลลอฮสุบฮานัลลอฮฺสาสิบสามครั้งอัลฮัมดุลิลลาฮฺสาสิบสามครั้งอัลลอฮฺอักบัดอีสาสิบสาครั้งสองคนนี่ก็เดินกลับ <c oughs> ก็คุยกันระหว่างสามีภรรยานี่ฮัดิสพูดชัดเจนเลยนะ นบีเล่าชัดเจนเลยนะครับพระบาลาเล่านะคุยกับว่าเราเนี่ยมาหามหาพ่อเนี่ยต้องการจะมาขอดุลยาขอคนช่วยงานที่บ้านงานดุลยาใช่ไหมใช่แต่นบีให้ไหมไม่ให้นบีให้อะไรไปปัจจัยอาคิรอทฉะนั้นสุภาานอลลอ ก, ก่อนนอนเราทําทํากันหรือเปล่านี่แหละปัจจัยอาคิรอเห็นยังครับ นมาตปัจจัยอาคิโรใจสะกาปรปัจจัยอาครามมีเงินมีทองไม่ตะกรับรบถเยอะยิงแบบขายแบบกอรูนเห็นยังครับเวลาใครมีเงินเนี่ยล้านสองล้านเนี่ยนึกอะไรก่อนสะการก่อนหล่อเห็นยังครับนึกสตอกก่อนนึกคดียาก่อนแล้วก็นึกอะไรนึกทำวากาฟก่อนไอซื้อรถให้ลูกสร้างบ้านนะคอ่คอยคิดทีหลังก็ได้เห็นยังครับ ชีวิตอาคีรอนเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าชีวิตดุนยาอัลลเตือนนะยะลมูนอัลฮิรอมมินัลิดุพวกเขาในตัวซีนอธิบายนะพวกปฏิเสธพวกเขาเนี่ยยะลมูนแปลว่ารู้เก่งเลยอาเลมเลยอาเลมอะไรครับอฮิรอน อาเลมแบบผิวเผินไม่ใช่ภาษาชมนะภาษาอะไรภาษาดาเข้าใจง่ายหน่อยมินัลไฮดติดุนยาตัดใจชีวิตบนดุนยาใบนี้รู้เรื่องอย่างนี้โดยอย่างเดียวสร้างบ้านยังไงทำสวนยังไงเลี้ยงแพะยังไงให้เจริญใช่ไหมลนะ่ะให้อ้วนทำยังไงตัวเองให้ลดน้ำหนักทำไงรู้ด้วยนะร อ, อจะให้อ้วนกินอะไร ดูแลพ่อแม่ทํำยังไงบางทีอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นรู้เรื่องดุนยาเรื่องเดียวนั้นเอาล้อกล่าวตําหนิว่าเองรู้เรื่องผิวเผินวะฮุมาเนลอะเคโรติฮุมอฟิลูนแต่ชีวิตในโลกอะเคโรคุณไม่รู้เรื่องเลยอะคนฉลาดหรือคนคนอะไรในตัฟซิตัฟซิตอธิบายต่อนะคนฉลาดเนี่ยพวกนี้นะเก่งนะ คนคาเฟ่นี่เกลี่เรื่องดุลยานี่หมดเลยครับทีนี้ฉลาดหรืองโง่ตีตีความเองได้เลยนะไม่ฉลาดครับคนฉลาดเป็นอย่างนี้กุณอ่านอธิบายเลยนะครับ il il al ba, al ba และอายาติลิอูลอัลบาอัลบาแปลว่าคนคนคนฉลาดคนฉลาดก็ทําอะไรรู้ไหมคนที่เข้าใจโลกอาร์กิลล์เนี่ย الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطل سبحانك فاتنا أذابنا نحن شلات เพราะอธิบายเนี่ยนะยาเห็นก <ul> ับชลาต่างกันนะคนชลาก็คือคนที่ลุกขึ้น อรำลึกถึงอัลลอฮฺยามยืนยามนั่งยามนอนตะแคงตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนข้าวเฝ้าอัลลอฮฺนั่นคือคนฉลาดคนที่นมาครบวันละห้าเวลาคนฉลาดคนที่จ่ายสะการคนฉลาดคนที่ดูแลพ่อแม่เป็นคนฉลาดไม่ใช่บูแลพ่อแม่จนโรกดุนยาอย่างเดียวขอดูอา อ, อีกอ่ะนั้นคนฉลาดกว่คนก่คนที่เข้าใจโลกอาคีรอ คือคนฉลาดคนที่รู้เรื่องโลกดุนยาโลกเดียวคือคนรู้เรื่องแบบเผนๆโลหิตห้ามเดลิลาห์ทีนี้ในตับซีตอธิบายบอกว่าในตับซีต ย, ยาลาเลนเนี่ยเขาว่าไอ้หุ้มหุ้มยสองครั้งเนี่ยเป็นการตะกีดเน้นพวกนี้นะไม่คิดถึงอะเราะห์แมต่วันเดียวอย่างอายุ8ปดสบปีนี่นะ จนกระทั่งในวินาทีสุดท้ายวิญญาณออกจากร่างไม่เคยคิดถึงโลกอาคีราอแม้แต่ครั้งเดียวอัลลอฮฺอัลกุบะต์อิสติมรอดกัฟลัดอัลลอฮฺอัลกุบะต์ดัลลาละอัลาอิสติมรไม่คิดถึงโลกอาคีราอแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตเหน็นไหงครับมุสลิมทำางี้ได้ไหม มุสลิมทําแบบนี้ไม่ได้เอาล่อสรงนบีมามาสอนมาอบรมเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยเรื่องโลกดุนยากับอาคิรอมีสองโลกเนี่ยถ้าไม่เอาดุนยาเอาอย่างโลกดุนยาอย่างเดียวไม่เอาอาคเราอเองรอพบกับการทรมานหลังตายครับเอาต่อมาครับอายาที่8ปดอวลาดยาตาฟกาลุฟีอัลฟุสิฮฺ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثير من الناس بلقاء ربهم لكافرون أوَلَمْ َ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلَّا ِ ب ِ ا ل ْ ح َ ق ِّ و َ أ َ ج َ ل ٍ مُسَمَّى ว่าอินนักสิร์มินันนาศิบิลข้าอิรับบิหิมละก้าฟิรูนข้ามเดลิล ل ل ه อควานี้เป็นวางกับเตือนคิดถึงอาคริลอนคิดยังไงบางคนคิดไม่เป็นวิธ <g ül> ีคิดถึงอาคริรอนอย่าลืมนะ นำมาตามนาบีความคิดก็ต้องคิดเหมือนนบีด้วยนะถ้าคิดเองสเปสสปะพยายามอะไรคิดอะไรให้เหมือนนบีเห็นไหมอย่างนาบีสอนท่านหญิงฟาติมาไนาลีที่ขอคนคนงานช่วยงานที่บ้านนีน่ความคิดนบีไปนั่งซุบฮานนลลอก่อนนอนไม่ดีกว่าเห็นยัง <c ười> คิดทุกอเคาะเยอะ ตัวเล้งว่าท่าเหนื่อยบนดุลยานี่ไม่มีปัญหาท่านลาบากบนดุลยานี่ปัญหาไม่มีแข็งแรงด้วยเอา้าแต่ทํางานทํางานทางานถ้าอยู่สบายนี่มันทําให้ลืมมันรอนะ่ะส่วนใหญ่เวลาสบายเนี่ยอยา่างลูกเราเนี่ยจากครอบครัวที่รวยรวยดีนะไม่เคยลําบากเลยนะ่ะหาเงินก็ไม่เป็นนมา ก, ก็ไม่เป็นทําอะไรก็ไม่เป็นไม่เป็นสักอย่างหนึ่งอนะ่ะแต่จะจะทำงานตรงไหน ท่านอยู่แบบน บ, บีดีที่สุดซอบา้านนบีอยู่ยังไงเอาเลียนแบบมานะครับเอาวิธีคิดถึงคิดอาคิรอคคิดอย่างนี้เอาลอ่อนะเตือนนะเตือนน บ, บีเตือนพวกเราด้วยที่อ่านกุรารอ่านว่าไงนะอวลลมยาตฟักกะรูฟีอัฟุสิฮิมพวกเขาไม่ ไม่ตึกตองยะตัฟักการูแปลว่าคิดหรือตึกตองไม่เคยใช้ปัญญาบางหรือไม่เคยคิดหรือไม่เคยตึกตองหรือล้ำแปลว่าไม่อาวาลามยะตัฟักการูพวกเขาไม่เคยตึกตรองพวกเขาไม่เคยใช้ปัญญาพวกเขาไม่เคยคิดหรือคิดแต่ทนาอย่างเดียวเหรอคิดแต่เรื่องทำอะไรนะแกมัสมันอย่างเดียวสร้างตึกสูงๆอย่างเดียวเรอ ฟีอาฟูซีฮิมคิดถึงอะไรนะการเคลื่อนไหวในตัวของสูเจ้าเองบ้างหรือ อ, อัลลอฮ์ให้มือมาเคยคิดไหมอัลลอฮ์ให้หูมาให้ตามาให้หัวใจมาให้ร่างกายแข็งแรงเคยคิดบ้างไหมเนี่ยอัลลอฮ์สอนนบีนี่วิธีคิดถึงอาฟิโอถามว่าเกิดมาเองเลยเนี่ย ร่างกายของเราเนี่ยเกิดมาเองหรือไม่เกิดครับอัลลอฮ์ให้มาและอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาในสี่แบบนะหนึ่งสร้างอาดัลมีพ่อไหมไม่มีพ่อไม่มีแม่สร้างโตฮาวาผ่านพ่อไม่ผ่านแม่สร้างนาบีอสิส ล, ลาอะลัยกิสซารามผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อสร้างพวกเราวันนี้มีทั้งพ่อทั้งแม่นิก้าหรือไม่นิก้าเนี่เรื่องหนึ่งนะอันนี้เป็นต้นอัลลอฮยาตาฟกัลู พวกเขาเหล่านั้นไม่เคยใช้ปัญญาไม่เคยตรึกตองหรือฝีอัมฟุสิหิมในตัวของพวกเขาเองเคยมองไหมเคยสังเกตไหมนี่ยกมือขึ้นพี่น้องฟิงเกอร์ปรินอะไรร อ, อ ร, อรอยนิ้วมือเรีก่าฟิงเอริน่งรอยนิ้วมือนี่เห็นอย่างตัวเล็กๆเป็นเส้นๆเนี่ยเคยสังเกตไมกุณอ่านอ่านเล่าเล่าเรื่องเรื่องฟิงเกอร์ปรินรอยนิ้วมือนั่น อัลลอฮ์ไม่ให้เหมือนกันสักคนหนึง่งคนเจ็ดพันล้านเนี่ยรอยนิ้วมือไม่ซ้ำกันครับ น, นี่ใบหน้าของพวกเราเนี่ยแค่คืบเดียวน่ะมีใครซ้ำกันไหมคนละรูปละรูปละรูปละรูปนี่มกพิจนาตรงนี้บางที่อวัละมยตฟักกะลูฟีอัฟุสิหม การเคลื่อนไหวของเราเนี่ยเคยคิดบ้างหรือเปล่าเนี่ยเคยใช้ปัญญาไหมเน่ยเคยเรียนไหมล่ะเคยศึกษาไหมล่ะร่างมันมาอย่างไงเนี่ยนี่กับพวกอาหารกับพวกอาหารอะไรแต่อะไรบูนี้อัลลอฮ์กินอาหารไปออกเป็นนันเป็นนี้นี่ตัวเรียนแพทย์ใช่ไหมหลังงานนี้อ่นนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่2มาคอละกอลลอห์สัมาวติวัลอัลลอมาแปลว่าไม่คอละก็แปลว่าสร้างอัลลอฮ์ไม่ได้สร้าง ชั้นฟ้าและแผ่นดินสร้างข้างบนก่อนแล้วก็สร้างข้างล่างทีหลังสร้างชั้นฟ้าก่อนนะอะไรกาก่อนดวงดาวก่อนดวงตะวันดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สร้างข้างบนก่อนแล้วก็สร้างข้างล่างทีหลังเคยคิดไหมรู้ยังไงอ่ะก็อ่านจะกคุณอ่างก็รู้น่ะถ้าไม่อ่านกุณอ่านนี่ไม่รู้เลยว่าอัลลอฮ์สร้างอะไรก่อนสร้างชั้นฟ้าก่อนบละเออยยอะไรก่อน อัสสาวารมาคอลกรลอฮุสามาวถและชั้นฟ้าเนี่ยไปเท่าไร่มันก็ไม่ถึงนะไม่ถึงนะใหญ่ที่สุดนะ่ะสูงที่สุดลอฮุอักบัตมาคอลกร ล, ลอฮุสามารถที่อัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้สร้างชั้นฟ้าและไม่ได้สร้างแผ่นดินวะมาะไบนาหูมาและไม่ได้สร้างสิ่งที่อยู่ทั้งสองเนี่ย ในระหว่างชั้นฟ้ากับแผ่นดินสร้างอะไรบ้างเนี่ยเต็มไปหมดนี่อลัลลอฮ์รับพีชอจะเพียงผู้เดียวอิลลานอกจากบิลฮักก์ด้วยสัจจินโดยความเป็นจริงสร้างมาจริงจแล้วก็มีเรามีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนจริงๆได้ประโยชน์หมดเลยพี่ต้องสังเกตดูให้ดีก็แค่มองไปสิชั้นฟ้าแผ่นดินระหว่างนั้นอัลลออบันี่มีข่าวออกมาว่า จะมีดาวอุกาบาอะไรสักอย่างหนึ่งลูกหนึ่งจะเดินมาชนโลกวันที่เท่าไรเนี่ยวันที่สามมกราเนี่ยมันแล้วก็นุ่งก็จะมืดอันนี้ก็จะมืดโอ้น้นเมื่อกุอานมาได้พูดแตาว่าผมไ ม, ไม่เชื่ออยู่แล้ว สิ่งที่อัลลอฮ์ให้เตรียมตัวให้เตรียมตัวในโลกอาคีรอให้เตรียมน้ำมารตไปเพราะน้ำมารตนี่ไปช่วยได้ชีวิตหลังตายใช่หรือไม่ใช่ไปยืนเฝ้าที่ไหนที่ซีสะถือสินอดยืนเฝ้าด้านขวามือจ่ายสากาดยืนเฝ้าเราในกูโบด้านซ้ายมือติดต่อกับพ่อแม่เดินไปมั ส, สยิดญาติาพี่น้องเราไม่ตัดขาดกาันเป็นความดียืนเฝ้าเราทีท่าทำไไม่เรียนเรื่องอย่างนี้บ้างละ่ะ อย่างนี้เป็นตอัลลอ์ให้ไหมต่อมาครับตัวรองว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินนนะนอกจากเป็นความจริงทั้งหมดมีเป้าหมายอันแน่นอนชัดเจนเราเนี่ยได้ประโยชน์เยอะจากสิ่งทั้งสองเหล่านี้เรื่องที่สามในชีวิตอาคีร่าหมดเลยนะว่าอาญาลิมมุซาม อ, อาจารย์เรียวันหมดอายุ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์สร้างมาบนชั้นฟ้าก็ดีบนแผ่นดินก็ดีในระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินทุกสิ่งมีอายุมีวันหมดอายุมีวันหมดอายุหมดไม่มีอะไรค้างอยู่บนโลกดุจยาใบนี้มีอยู่วันหนึ่งไปนองครับพังหมดเลยครับพังหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วครับนี่คุอ่านสอนให้คิดนี่าแค่นั้นะชีวิตอาคิร คิดโอยดวงดวงอาทิตย์จะร่วงลงมาดวงจันทร์จะร่วงลงมาดวงดาวจะร่วงลงมาและเราจะเปลี่ยนแผ่นดินนี้นี่อักษร เ, เ, เป็นอะไรนะเป็นอายันทั้งหมดเลยมีคนยิวมาถามนะบีถามบอกว่าคนยิวมานาัมนอะเลมมันรู้นะแต่มันไม่ก็เชื่อนะมันรู้แต่ไม่เชื่อแต่เราเนี่ยรู้ด้วยต้องเชื่อด้วยถ้ารู้อย่างเดียวไม่เชื่อทําตัวเหมือนใคร คนยิ้มาถามนาบีววยาระซูลลลอฮ์ในกุรานอธิบายว่ายาวมาตุบัดดลุลอัดิวสซามาว่าตื่วันหนึ่งอลัลลอ์จะเปลี่ยนชั้นฟ้าใหม่แผ่นดินใหม่แล้วคนจะอยู่ที่ไหนเห็นยังรครับเราเคยเค ย, เค ย, เ, คยเคยสงสัยไหมนี่เป็นความรู้ทั้งหมดเลยนบีตอบว่ไงรู้ไหม วันที่อลัลลอฮเปลี่ยนชั้นฟ้าแผ่นดินเนี่ยนะมนุษย์ทั้งหมดจะอยู่ในที่มืดมืดรุ่นมานอยู่ในที่มืดที่มืดอยู่ไหนครับใกล้กับสะพานซีรอดสะพานซีรอดที่จะข้ามไปสวรรค์นะพี่น้องไปอยู่ตรงนี้นะอยู่ในที่มืดประชาชนทั้งหมดอยู่ตรงนี้แล้วก็ก่อนก่อนที่จะอยู่ใกล้ๆกล้กับสะพานซีรอดแสดงว่าที่คงใหญ่มากนะนี่นบีตอบ นี่ชีวิตอาคิรอมหมดเลยนายพี่ น, อน้องท่านเราต้องถ้ารู้เรื่องดุลยยาอย่างเดียวอรรถด่าใช่ไหมรู้เรื่องชีวิตอาคิรอมด้วยอย่างน้อยที่สุดว่าแผ่นดินนี้อรอดจะเปลี่ยนเอาแผ่นดินใหม่มาคนยะฮูดีมันยังรู้นะมันถามนาบีว่าแล้วคนจะไปอยู่ที่ไหนนบี ต, ตอบยังไงรู้ ไ, ไหมอยู่ในรุ่นมาในมุมมืดๆแล้วก็อยู่ใกล้กับสะพาน อะคอรอัลฮนะฺนดวงเลละนั่นชีวิตอาคิอรอหมดเลยตายฟื้นชีวิตอะคิอรอใช่ไหมฟื้นและต้องยืนอยู่ตัวหน้าอัลลอฮฺชีวิตอะคิอรอเดีด๋ยวรับสมบุดบัญชีมือขวากับมือซา้ายแตกต่างกันนะชีวิตอะคิรอระหมดเลยครับและอายุสาสชีวิตอาคิอรอครับอุล โ, บ โ, โลพี่น้องเห็นยังครับ ท, ท่านโลกดุนยาใบนี้มีวันหมดอายุอาคิอรอมีไหมมีครับเอาต่อมาครับ ว่าอินนักซีรมินันนักซีแปว่าส่วนมากกัซีนัดมินาันานัดมนุษย์ส่วนมากอประชากรในโลกมีเท่าไรเจ็ดพันล้านคนอย่างน้อยนะห้าพันล้านนะบลิกออิรบบิหิมละกาฟิรุลิก้อแปลว่าพบ ต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ไปพบอัลลอฮ์พระพูอาภีบาลของเขาลากาฟิรุนเขาไม่เชื่อสวรรคให ญ, ญ่เนี่ยมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้ไม่เชื่อว่าตายแล้วต้องไปพบกับอัลลอฮ์สุบฮานหูวาตาละังนั้นอิสลามเนี่ยต้องอยู่ในทุกทุกทุกลังคาบ้านอิสลามเนี่ยนบีพูดเอาไว้นะต่อต่อมาอิสลามเนี่ยจะเข้าไปทุกลังคาบ้านเลย โดยพวกเรานี่แหละช่วยกันด่าว่าอิสลามถามว่าคนรับอิสลามเนี่ยเสียหายที่ไหนไม่ได้เสียหายอะไรเลยในมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นใช่ไม่ใช่มีเด็กๆมารับอิสลามเนี่ยแม่แม่แม่บอกว่าลูกฉันมารับอิสลามฉันไม่พอใจเลยแหละแต่ว่าของดีหแ ม, ม่ว่าดีอะไรบ้างมันเลิกกินเหล้าแล้ว มันเลิกเที่ยวกันคืนแล้วมันไม่เข้าบาร์ในคลับแล้วเห็นยังครับรับอิสลามเนี่ยพี่น้องเราเปลี่ยนแปลงสู่อิสลามเนี่ถามว่าตัวเองเสียอะไรไม่ได้เสียดีกว่าเก่าอีกครับแคนั้นหานมาเรียนอิสลามเดี๋ยวพี่น้องนะมาเรียนอันศาลามมารู้เรื่องอิสลามดีกว่าพี่น้องกุรอนุญาต น, นี้นี่นะ มีข้อคิดอยู่ห้ารายการคิดที่หนึ่งให้ตึกตอง ใ, ใช้ปัญญาให้ดูตัวเองในเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองให้ดูอะไรนะให้ดูให้สังเกตดูชั้นฟ้าและกัแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสองให้สังเกตนะพอสังเกตแล้วอหมานมันเพิ่มข้อที่สามอาลัลลอฮ์ทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินนะนะั้นน่ะทั้งสองนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดไม่ใช่เกิดขึ้นมาเอง เรื่องที่สี่ทุกสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาบนโลกใบนี้มีวันหมดอายุไหมมิดเราเองก็รอตายใช่ไหมและตายอย่งไรงสง่างามเป็นอคิดาหมดเลยอ่ะตายขณะทิบจักยานมันก็นไม่ดีเท่ากับตายขณะสูญยุดขณะนั่ง อ, าอา่านอินคอรานขณะครองชุดเอิหรอม ขณะที่เก่าวแล้วอีละอีลอรอได้เขาเรียกว่าตายดีทั้งหมดต้องขอดุ่งอาตอลอดสวบ้านนบีมีอยู่คนหนึ่งไปนอกสวบ้านนบีนะไม่สบายแต่ท่านขอทุ่งอาตลอดอยากให้ตายขณะสูดก็ป่วยอยู่ที่บ้านก็มานามาที่มัสยิดบ้างมาบ้างไม่มาบ้างแต่วันที่จะตายน่อยากจะมามัสยิดขอร้องลูกบรรลูกไปพาพ่อพไปมัสยิดหน่อยเถอะ ทุกคนขัดข้านอ่ะพ่อามาที่บ้านนี้แล้วเราป่วยเอาล็อบไม่เอานะไม่เอาโทษนะบอกช่วยพาไปหน่อยพ่อพามาที่มัสยิดนั่ลูกกับมานะหมาด้วยมากกันก็ลังสู่จูนั้นอินาลิลาเลยแต่ทำดูลีลแหละในซาบา น, นาบีทำไมพราเขาขอดูอาเอาไวนะะน้นะจะตั้งเป็นวังครับตายดีตายยังไง ก็คงจะรู้แล้วนะว่าตายขณะอ่านกุนอ่านดีที่สุดตายขณะนมาดดีที่สุดตายขณะที่กาลิมาชาดาดีที่สุดอัลลอฮฺอัลบัในชุดยหรอมดีที่สุดครับพี่น้องทั้งหลายเอาต่อมาครับอิยาติกาวอวัลัมยาซิรุฟิลอัลดีฟายังซิรุกัฟะกาณอัลิบะตุลลาฮีนมิงกับลิฮิม كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها و, و, عم و جاءتهم رسولهم بالبينات وما كان الله ليسلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الحمد لله أو لم يسيروا <ت ص> في, <ق> في الأرض ف ينظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة و أ ث ا ر ُ ا ل أ ر ض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسولهم بالبينات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أ ن ف ُ س ه م يظلمون ลัลลุอานทุกอายะเนี่ยนะมีประโยชน์บนเลย น, นะดูค่าแไปครับอาวาลัมยาซีรูฟิลอร์ซาดยาซีรูไปว่าเดินทางพวกเขาเนี่ไม่เคยเดินทางหรือท่องเที่ยวเดินทางส่วนการเดินทางเนี่ยอิสลามส่งเสริมนะ อยาอยู่เฉพาะของเคทอย่างเดียวไม่ได้ไปไหนเลยสมองก็ไม่ไหลน้ำเหมือนกันนันถ้าน้ําอยู่กับที่เขาเรียกว่าน้าอะไรไปอยู่ไปอยู่ไ ป, ไปกลายเป็นน้ําเสียอย่างของเคทเนี่ยน้ำมันจะดำๆน่ะ ด, ด, ดไปแล้วฉะนั้นคนอิมามชาอีวะไงนะน้ําถ้าไหลมันจะสะอาดคนตรเหมือนกันถ้าไม่ออกไปไหนเลยนะไม่จะไหล ฉะนั้นอาฟาลอาวารัมยาซีรูพวกเขาไม่เคยเดินทางแล้วก็สั่งอีนะฟายังซูรูไม่ใช่ไปอย่างเดียวนะพิจารณามองด้วยอายาที่ยี่สิบของซูร้ออังกบูดลองลอ ง, ลองเปิดดูสิอธิบายแล้วว่าเดินทางเนี่ยอุลมะอธิบายต้องดูหกรายการ ทุกครั้งที่เดินทางในพิจารณาหกรายการรายการที่หนึ่งไปดูประชากรแต่ละหมู่บ้านหมู่บ้านเนี่ยคนเยอะไหมมีผู้หญิงเท่าไรผู้ชายเท่าไรให้สังเกตบ้างนี่เห็นไหมคิดอาะิรอมรหมดเลยรเรื่องที่สองครับอิคติลาฟอัลเซนติหิมภาษานนงง เ, เนี่ยพี่น้องคองเคตเนี่ยมาก่อนภาษาก็เพราะนะ ไปไหนมาเป็นยังับภาษาเนินๆนิดๆใช่ไหมแต่ละหมู่บ้านภาษาไทยนี่แหละต่างกันต่างกันพูดแบ่ค่อยเหมือนกันไปลงไปใต้กับภาษาใต้ใช่ไหมผมก็ถามภาษาหาดใหญ่อย่างหนึ่งภาษาอะไรนะโซราทางนึงเขามีสนียงรู้สังเกตนี่อลลอสังะข้อที่สามนะครับสีผิว ไอ้ผิวบรราวเนรูน้กันหมดแล้วถ้าไปแอฟริกาจะเจอผิวอะไรผิวดําอย่างเย็นยืนตนนี่เป็นอิสลามหมดเลยอะข้อที่หนิสัยแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันอะแต่ท่านคนที่แต่โมมินเนี่ยจะเอาอัคลาสนาบีมาใชา้ทั้นนั้นแหละเอาอัาคราของนาบีมาใชา้นอนตามนาบีกินตามนาบีใช่ไหมแต่มารยาทอัครากอื่นๆเนี่ยต่อพิธีอื่ น, ๆ, น, อออนๆอาจจะไม่เหมือนกัน ที่อินโดนีเซียก็อย่างหนึ่งเมืองไทยก็อย่างหนึ่งข้อที่หกเนี่ยสถานข้อที่หสาสถานที่อยู่ของพวกเขาการเป็นอยู่บ้านตึกบ้านช่องก็เป็นยังไงเนี่ยข้อที่ห้านะข้อที่หกสุดท้ายอาลัลลอฮฺเคยทําลายหมู่บ้านนี้ไหมนี่จะกีดามหมเลยใช่หรือไม่ใช่ลองไปในต่างประเทศจะไปอะไรนะ ประเทศจอแดนไปที่เบรนะเดซี sea, เจอเลยอัลลอฮ์เคยทำลายหมู่บ้านตรงนี้ให้พินาศแล้วก็ให้กลายเป็นน้ำเค็มเพราะอะไรครับนี่ข้อที่ข้อที่ข้อที่หกอัลลอฮ์บอกไปหนอแต่นี่อัลลอกุรอานอนัญนี่ให้พิจารณาถึงการลงโทษหมายถึงข้อที่หกนะอ่ะอัลลอ์เคยทำลายหมู่บ้านนี้ไหม เคยให้ลมพายุมาไหมเคยให้แผ่นดินไหวไหมที่ตรงนี้นะทําไมละ่ะแผ่นดินไม่ไหวไง่ายๆหรอกครับถ้าคนข้างบนไม่เลว็วอภัยง่ายๆอลไรก็นะข้างบนเนี่นแผ่นดินไม่ไหวนะน้ําท่วมไม่มีนะแล้วก็ลมพายุไม่มาแรงๆนะถ้าคนบนดินเนี่ยไม่เอาศาสนาเมื่อไรอลรรถก็จะลงโทษทันที ไม่ долларов, เอาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยังพอยังยังพอทนได้ถ้ากดขีปประชาชนมา่อไหรนะเดี๋ยวรอเธออัลลอฮ์เล่น right. งานเลยนี่อัลลอฮ์สั่งนะสั่งนบีนะให้นบีพูดว่าอวลัมยาซิรูฟิลอาร์ดฟไยังซูรูไกฟะกาหนาคิบะตุลลาดีนามิงกอบลิฮิมอาคิบะให้ดูอาคิบะหมายถึงผลสุดท้าย อันละดีนะบรรดาผู้ที่มิงกอบลีหิมคนที่มาก่อนหนะ้าพวกเขาพอสั่งให้เราเดินทางเนะ่ยพอเดินทางเสร็จแล้วก็ไปเยี่ยมหมู่บ้านต่างๆในโลกนี้ก็จะเห็นว่าคนที่มาก่อนหนะ้นานบีมหามัดนี่ต้องการจะบอกพียงว่ามุชาลิกินในนครมักการอนะ่ะเองเดินทางบ้างแต่นี่พอเราอ่านแล้วก็ต้องคิดเออแต่เราก็ต้องเดินทางบ้างแล้วไปมองอะไร ไปมองว่าผลสุดท้ายของคนที่ไม่เอาศาสนานะ่ะเขาใช้ชีวิตตอนบ้านปลายลำบากยังไงอมีพวกอาร์ตใช่ไหมพวกสมูรใช่ไหมล่ะที่เราเรียนเรียนกันมาเนะ่แล้วก็เดซีอะไรต์อะไรพวกนี้นะแล้วก็ฟาโรที่อียิปต์ใช่ไหมทำไมอัลลอ์เก็บสวบเอาไว้อ่ะเก็บไว้ทำไมอ่ะก็เพื่อให้เป็นให้คนเราไปไปเห็นโอ ทำไมฟาโร่อัลลอฮ์ไม่ให้นั่าเพระอะไรเพราะว่าฟาโร่เนี่ตั้งตัวเป็นพระเจ้าเองให้ฮามานทราบหอคอยสูงสูงใช่ไหมขึ้นแล้วเจออัลลอฮ์ไหมไม่เจอแบบรัสเซียนะแบบรัสเซียนะขึ้นยานอพอลโลขึ้นไปแข่งกับอเมริกาผลสุดท้ายนะไม่ได้แข่งกับการแข่งกับอัลลอฮ์แข่งยังไงไหมลงมามาประกาศบอกว่าฉันไม่พบพระเจ้า เห็นไหมลึกๆแล้วเนี ah ่ยเขาแอนตี asked, ้อิสลามเขาแอนตี้อัลลอ์แต่จากอเมริกานะเรายังยังยังไม่ได้ฟังแต่จากรัสเซียนมาแล้วนะขึ้นไปแล้วเหมือนฟาโรห์ขึ้นบอกให้ฮามานสร้างอะไรนะสร้างหอคอยไอ้นี่เองสร้างจรวดสิเดี๋ยวอกส่งคนขึ้นไปก็ขึ้นไปลงมาเจออัลลอ์เป่าเจอพระเจ้าป่าผมไม่เจอห้าเห็นไหมอิสลามก็6กอัลลอ์ก็6ก น บ, บีมุ hammad โกหกคุณอานก็หกเห็นไหมเอาต่อไปกาณูอาชาดดามินหุมกูวคนที่มาก่อนหน้าน บ, บีมุ hammad ก่อนหน้าอาตบมุชิกในนครมั ก, ก้าเนี่ยเขาเป็นยังไงครับอาชาดดาแปลว่าเข้มแข็งกูวะแปลว่าพลังมีพลังเข้มแข็งมากเลยดันวัตถุ ก, ก็เกง เงินก็เยอะพลังก็เยอะพวกกว็เยอะทหารก็เยอะอย่างฟาโร่อย่างเดียวเลยไปเนาะอาชัดดมินฮูคูวะพลังแข็งไหมแข็งแข็งมากเลยนะครับดูเลยเลยไปนูไปดูร่างก็สิใหญ่ใหญ่ใใหญ่ใหญ่หญหญนั้นเอเชียเนี่ยตัวเล็กเล็กเล็กเล็กล ก, กใช่ไหมอืมแต่แล้ม า, าข้างในเนี่ยคิดอะไรอ่ะอ้าวหัวใจคิดอะไรอังกีษได้อะไรต่อมาครับเรื่องที่สอง ว่าอาซารุลอาลแล้วก็ขุดดินอาซารุบแปลว่าพัฒนาอาร์ตปว่าดินพัฒนาดินก็ปลูกนูน่นปลูกนี้ใช่ไหมล่ะอะย่างคนไทยตอนนี้ก็อธิบายได้ปลูกทำนาละสองสองครัง้งสามครั้งปวกนูน่นปลูกนี้ร อ, อเดีนี้ก็ปลูกอะไรนะอลูกอะไรไม่มีเม็ดนะแตงโมไม่มีเม็ด แต่งโมปลูกแล้วไม่ไม่มีเม็ดรู้ป่ะ <c oughs> ไอ้ผลไม้ที่ไม่มีเม็ดเนี่ยอัลลอฮ์ เ, เตรียมไว้แล้วอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์อัอลลอฮ์เตรียมไว้แล้วผลไม้ทุกชนิดเนี่ยชื่อเหมือนกับโลกดุนยาแต่ไปกินจริงๆแล้วอร่อยมากเลยอย่าลืมนะ คนที่สนใจโรคอาคีโรเยอะๆน่ะเป็นเพราะอ่านกูอ่านแต่นี่ให้อิมันอิมันมันเพิ่มมาคนที่แข็งแรงจริงๆน่ะต้องโลกอาคิโรนู่นะรู้เปล่าผู้ชายคนหนึ่งน่ะกินอาหารเท่ากับคนร้อยคนแล้วก็ดื่มน้าเท่ากับคนร้อยคนน่ะแล้วก็ให้ความสุขกับภรรยาเท่ากับมีผู้ชายร้อยคนอยู่ในตัวเนี่อัลลอฮฺจะให้แล้วอยู่ในสวนสวรรค์ แต่อยู่ไม่โดนยาเนี่ยเองอย่าทิออ้งอัลลอ์สิต่อมาครับกานูอาชัดดัมินฮุมกูพวกเขามีพละงกำลังที่แข็งแรงมากเลยร่างกายตัวใหญ่ๆ่ใหญ่ใช่ใหรือไม่ใช่ใ ช, ใช่ต้องอ่านประวัติศาสตร์ดูต่อมาครับว่าอาซาลุอาลแล้วก็ขุดดินด้วยอัลลอ์พัฒนาดินทำนวนทำนี้ทำทะเลสาสสมัยก่อนปลูกอะไรไม่ขึ้นเดี๋ยวนี้ อิสราเอลมันทำแล้วเห็นไหมอาดับซาอุดีก็ทำตามอะไรนะโอแผ่นดินซาอุดีเป็นทรายมผูกต้นไม้ได้น้ำเค็มทำเป็นน้ำจืดได้เห็นไหมก็พัฒนากันขึ้นมาเอเลอาะ ก, กันเล่านะครับพีุณ อ, อ่านาต่อมาครับว่ามารูฮาอัครรอมิมม่ามารูอามารูแปลว่า สร้างใหม่ๆอะไรขึ้นมาอีกพัฒนานะพัฒนาแผ่นดินนะให้มันดีกว่าๆก่านะนะครับอักษรมากกว่านิมามารูมากกว่าที่ภูเขาพัฒนาเห็นหคนในอดีตเขาเก่งกว่าอาหรับมุสลิมในนครมักกะเก่งไหมเก่งจากคุปอานอายา น, นีอลัลลอฮสอนให้รู้นะ แต่ข้อเสียมีอยู่อย่างนึงนข้อเสียต่อไปว่าจะอัตฮุมรูซูลุหมบิลไบานาดเสียเรื่องเดียวน่ะถูกลงโทษตลอดชีวิตเลยรู้เปล่ายาอาบว่าได้มาหาพวกเขารูซูลรอซูลเป็นภา้พิทักข้า ง, ง, ง่ารอซูลุน แต่เมื่ออัลลอฮ์ส่งรอซูลมาเอาศาสนามาให้พวกเขาแบบไหนครับบิลบบยีนาดแบบชัดเจนแต่พวกนี้เอาเปล่าเอาหรือไม่เอาไม่เอาเห็นไหมนี่แหละพัฒนานุนพัฒนานี่พัฒนาดินพัฒนานุนทำร่างกายไงแข็งแรงโอโลรู้หมดเลยแต่อัลลอฮ์ส่งนบีมาไม่เอาหาว่า ไปดา่นานบีอีกบ้าบ้างอะไรนะสร้างความแตกแยกบ้างเห็นไหมทรงกุรอานมาสวงนบีมาเพื่อจะพัฒนาคนเองพัฒนาแผ่นดินพัฒนานู่นพัฒนาได้แต่พัฒนาตัวเองลืมนึกฉะนั้นอิสลามเนี่ยสอนให้ดูแลตัวเองไม่ใช่ดูแลแผ่นดินอย่างเดียวไม่ใช่ดูแลแบ้านอย่างเดียวไม่ใช่ขับรถเก๋งอย่างเดียวทำมาสมมนอร่อยโยนตะบดูดูทอดชั้นหนึ่งลือต้อง ต้องแช่กี่ปีกี่ปีนี่รู้หมด ร, ราระกับมันการทำงานให้มันอร่อยทำแห้งทำยังไงก็นมจีนทำแห้งทำสดทำยังไงเก่งหมดแต่ลืมดูตัวเองหัวใจทำงานให้ใหมีความสุขทำไม่เป็นเป็นยังไงวิครุลลอต่างหากเรียน้องกรับวิครุลล้อทำให้หัวใจสงบนะอัลลอฮฺอลลอฮฺอัลลิครุลลอทำให้หัวใจสงบทำเป็นมา อ่านคูรอานซิกรุลละนามาเข้าหาอัลลอฮ์ให้อภัยคนพปน้องแบบนบีมุฮัมมัดนบีทกด่านไปทำไงให้อภัยแล้วชีวิตนบีเป็นไงสง่างามหมดเลยครับไม่จะเสียหายตรงไหนเอาต่อมาครับฟมานะลอฮุลยาสุลีมาฮุมอัลลอฮ์นี่นะไม่เคยอธรรมย้อเล่มมาถึงอาธรรมทำอย่างนี้จะตอบอย่างนี้นะอัลลอ์ไม่ครับทอะไรได้อันนัน ว่าลักิงการูอัมฟุสะฮุมยาสุลีมูนแต่ลากิมวาแต่พวกเขาเหล่านั้นยาสุลีมูนแปลว่าอาธรรมอัมฟุสะฮุมต่อตัวของพวกเขาเองไม่รับอิสลามไม่ยอมรับฟังนบีเขาเรียกว่าคนอาธรรมต่อตัวของเขาเอง สถานคนที่เรียนอิสลามเนี่ยอาจทำตัวเองไหมไม่ครับเราเป็นห่วงตัวเองเป็นห่วงชีวิตหลังตาตายแล้วต้องฟื้นต้องไปอยู่กับอัลลอฮ์ทำไงให้ชีวิตสง่างามหลังตายต้องยึดอัลลอฮ์ยึดรอซูลยึดอัลกุรอานยึดสุนนะนบีเป็นแบบถึงจะปลอดภัยครับพี่น้องถ้าอย่างนั้นปลอดภยัยไหมไม่ปลอดภัยครับ อ, อ, อ, อัลลอฮ์พี่น้องอายาสุดท้าย ثم عثم كان عاقبة الذين أساءوا الذين أساءوا سوءاً ع ب ب ن ب ب ي أ ت الله وكانوا به يصطادون ยัตสุทัยนะครับ Semoga na'qibat Allahina asra usru'a angkat zabbu bi ayatillah, wakanu bi ayatazjuun. Kohni yang tidak ayat ini, Tuanku akan m e n g a t a bahawa o r n tidak m u t Allah. ไม่ยึดรอสรูลไม่ยึดกูรานไม่ยึดซุนนะนบีนี่นะตายผลสุดท้ายของชีวิตระบากหมดเลยไม่ยึดไม่พอนะหัวเราะเยอะอีกเห็นคนวัยคราวก็ดูถูกเขาอ้ะไอ้แพะมาแล้วดูถูกคนวัยคราวดูถูกคนอะไรนะ่ะ มีศาสนาโกงๆเงยๆมันได้อะไรล อ, อยไหมเดี๋ยวนี้มันก็เบาลงมีมุสลิม่าหลายคนเนี่ยมาไม่อนุญาตให้คุมหิญาบนะ้ะไม่เยอะเยอะหรเปล่ายอมเยอะท่านต้องอดทนอดทนอดทนแล้วอดทนมีรงางวัลไหมมีก็ไปดูคุณธรรซุมมาการ์อาคิบา้าแปลว่าผลสุดท้ายอาคิบา้าแปลว่าผลสุดท้าย ปอุโมงผลสุดท้ายของใครครับอัลลอฮินอัซาอูผู้ที่ทําทําตัวชั่วอาซาอูแปลว่าทําชั่วผลสุดท้ายของคนที่ทําชั่วทําชั่วอะไรรู้เปล่าไม่ได้ไปฆ่าคนหรอกแค่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลไม่เอาอัลกุรอานไม่เอาซุนานะนาบีทาตัวชั่วมไหมนี่คุณอ่านอธิบายผมไม่ได้พูดเองคือเนาะอัลลอฮ์พูดนะ ทำตัวชั่วก็คือคนที่ไม่เอาอัลลอ์ไม่เอาอิสลามไม่เอาสุนัขนบีไม่เอากุรานไม่ยึดสถาบานนบีเป็นแบบนันก็เรียกว่าทำตัวชั่วผลสุดท้ายของคนที่ทำตัวชั่วนี่อสูอสูาคือความชั่วทำตัวชั่วรางวัลที่เขาได้รับคือความชั่วเห็น ไ, ไหม นี่เราไม่ได้พูดเองนะ่อลัลลอฮ์พูดใช่ไหมผลสุดท้ายของคนที่ไม่เอาศาสนาเขาจะพบกับความชั่วคนไม่เอาศาสนาก็คือคนที่ทำตัวชั่วเขาก็ได้ความชั่วเป็นการตอบแทนเห็นไหมครับพี่น้องแสดาศาสนาจำเป็นไหมจำเป็นอลัลลอฮ์จำเป็นไหมต้องเรียนสิทธตอ์อัลลอ์ต้องเรียนสุนนะนบีต้องเรียนชีวิตของนบี อัลลอฮ์าถามหลังตอนตอนตายให้มัลเลก้ามาถามมาถามอะไรมาถามเรื่องอัลลอฮ์ใช่หรือไม่ใช่มาถามเรื่องนบีใช่ไหมรู้จักชายคนนี้ไหมมูฮัมหมัดรู้จักไหมรู้จักคุรานไหมแค่นั้นสามอย่างนี้พี่น้องทิ้งไม่ได้นะอัลลอฮ์รอซูลคุรานรอสูบัดึงสุนานะนบีกินยังไงนอนยังไง นะครับเข้ามัสยิดยังไงอยู่กับพ่อแม่ทำยังไงอยู่กับภรรยาลูกทำยังไงน บ, บีสอนหมดนะอยู่กับสังคมทำยังไงเวลาเขาด่ามาให้อาภายัยน บ, บีสอนแต่ไม่เอาอะคิดเองทำเองคิดเองทำไหมรเดิตตนตามนบีไม่เหนื่อยด้วยไปนอ้องเอาต่อมาครับอังกาซาบูบิอ า, าติละ เพราะพวกเขากล่าวว่ากาสาบูเป็นเรื่องโกหกบิอายาตินและสัญญาณของอัลลอฮ์เป็นเรื่องโกหกนี่คือคนชั่วคนชั่วก็คือคนที่ปฏิเสธสัญญาณของอัลลอฮ์ทั้งหมดสัญญาณของอัลลอฮ์ในตับซีนอธิบายอย่างนี้หนึ่งปฏิเสธน บ, บีมุฮัมมัดนี่เป็นสัญญาณที่อัลลอฮ์ส่งมาปฏิเสธไม่เชื่อคือคนชั่วประการที่สอง การลงโทษนะครับการลงโทษที่อัลลอฮ์ลงมาในสมัยก่อนๆเนี่ยใช่ไหมไม่เชื่อว่าเป็นธรรมชาตินี่คนชั่วอันที่สามมูอัจิศาส์ที่อัลลอฮ์ให้กับนบีนบีนบีนบีอย่านาบีมูซาให้มดที่ใส่อะไรมาไมา้แต่พดกลายเป็นงูไม่เชื่อน บ, มมบีมุฮัมมัดมีมูฮัจิศาสประมาณสามร้อย แด้ไม่เชื่อนี่แหละคือคนที่อะไรนะทำตัวชั่วเพราะปฏิเสธสัญญาณต่างๆท Allah งานนาี่อัลลอท์ส่งผ่านนาบีอัลกุรอานทรงผ่านนบีแต่งตั้งนบีให้เป็นรอซูนไม่เชื่อเขาได้ว่าททำตัวชั่วใครพูดครับคุณอ่านพูดเองอัลลอ์พูดเองอาชอวะชะนั้นผลสุดท้ายของคนที่ทำชั่วเขาก็ได้ความชั่วเป็น เป็นการตอบแทนที่เขาปฏิเสธสัญญาณต่างๆของอัลลอะ์ที่ส่งมาผ่านนบีต่างๆแล้วก็เป็นไงครับวกาโนบิฮยัสตาซิอูนไม่ใช่ไม่เชื่ออย่างเดียวนะหัวเราะเยาะด้วยหัวเราะเยาะกรณีประเทศอะไรบุรีนายนะออกกฎ ว่าใครถ้าทำทำดีนาขว้างจนตายค้านกันทั้งประเทศเลยว่าทั้งทั้งทั้งโลกมันจะประเทศทั้งโลกทำทำไมถ้าใจอ่อนนะเลิกถ้าเข้มแข็ง huh. อยู่กับอัลลอฮ์พิงอัลลอฮ์พิงมัลลาอิกะพิงพุทธศรัทธาต่ออัลลอฮ์พิงจีบรีดชนะหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นอังครลองเอาอิสลามมามาตะข้อดูเประกาศค้านการทั้ทำทไมทำทำไม เลากระทดสอบตลอดเวลาใช่ไหมใช่ดิงอ่ะพี่น้องครับผลสุดท้ายของคนที่ไม่เอาศาสนาระบากหมดเลยครับลาบากต้องตจับใส่โลกงแล้วจะพาฉันไปไหนจะพาฉันไปไหนคนที่เอาศาสนาเพราะจับใส่โล่งพาฉันไปไวไวๆพาฉันไปไวไวันี่ภาษา ต, ต่างกันั้ยต่างกันเยอะฉะนั้นพี่น้องครับอ่านคุณอ่านเปลี่ยนแปลงตัวเองดีกว่านะครับ m u d a h a h kita, Subhanaka l l a h u m m a w a b i h a m d i k a Sholliyalla illa anta astagfirka wa taubailai.